วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งคณะสงฆ์เขตอำเภอบ้านผือพร้อมกับพี่น้องประชาชนญาติโยมมากราบคารวะครูบาอาจารตามวัดต่างๆนับว่าได้หลายวัดพอสมควรวัดหลวงพ่อเกือบจะเป็นวัดสุดท้ายการคารวะครูบาอาจาร ทุกปีที่ผ่านมาก็ถือเป็นประเพณีตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงพ่อเองก็ได้ไปกราบคารวะครูบาอาจารย์เกือบ10วัดแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คิดว่าคงจะไปกราบคารวะองค์หลวงตามหาบัวท่านมีอายุเ4ปีและก็เป็นวันเกิดของท่านด้วย เป็นวันที่ส2สองสิงหาคณะสิทธิานุสิทธิก็คงจะจัดทมพิธีอันดับแรกตอนเช้าก็เป็นหน้าที่ของศรัทธา ญ, ญาติโยมถวายปัฒถาหารถวายเครื่องไทยทานขององค์ท่านแต่พอตอนบ่ายคณะสงฆ์จากจาตุรทิศใกล้และไกลพร้อมกับญาติโยมที่มายังไม่ถึงก็ขเข้าไปถวายเครื่องสักการะคือว่า ทำวัดภาษาทำวัดทางภาคอีสานของเราเนี่ยว่าทำวัดก็คือมุดน้ำดำหัวที่เป็นที่รู้จักกันแต่ทางอีสานของเราคาระวะ ค, คือแสดงความเคารพมีดอกไม้ทูบเทียนถือขันเข้าไปจากนั้นก็กล่าวคาอย่างที่สัทธทายญาติโยมพระสงฆ์ที่กล่าวเมื่อกี้นี่นะอาจาริเยหรือเถเลอย่างเนี้ยประมาเทนะ ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์โอโหสีให้พวกข้าพเจ้าด้วยพวกข้าพเจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไปอันนี้ก็คือไปคารวะเรื่องไปทำวัดเรื่าไปมุดน้ําดําหัวต่อพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คืออันดับแรกกองพวกเราจะได้ทำวัด พอต่อมาท่านก็จะได้ให้โอววาดแก่พระลูกพระหลานกับพี่น้องประชาชนตามอัธยาศัยและตามความสะดวกสบายของท่านเราก็ไม่ได้กดเกณฑ์เพราะคนมันมากบางทีท่านอาจจะไม่พูด เ, เลยก็ได้ท่านเหนื่อยนะอย่างหลวงตาวันพุธนี้นะจากนั้นก็คงจะไต้ถวายจัดการถวายผ้าป่านานทีปีหนึ่งคณะสงฆ์จะได้ามาพร้อมกันก็จะได้ถวายเป็นผ้าป่ากับองค์หลวงตา ถวายเพื่อให้ท่านใช้ตามอัธยาศัยแหมเมื่อท่านรับผ้าป่าเสร็จแล้วก็คงจะพิธีก็คงจะจบกันเกินผ้าป่าที่จะถวายก็ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์วัดผ้าป่าช่วยชาติไม่ช่วยชาติหรือผ้าปาก็คือถวายองค์หลวงตาในฐานะพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกของท่านเป็นญาติโยมของท่านเมื่อเข้าไปกราบคารวะแล้วก็เออเอาร่วมกันถวายจะตกปัจจัยตาม อัตภาพตามน้อยตามมากเพื่อให้หลวงตาเอาไปสงเคราะห์โลกอย่างที่เมื่อวานวันก่อนท่านก็ไปอำเภอคำม่วงจังหวัดกระสิน์แล้วก่อนหน้านี้ไปงานหลวงปู่เขียนงานหลวงปู่เขียนหลวงปู่เขียนก็คือเป็นเพื่อนขององค์หลวงตามี3องค์ด้วยกันก็คือส้มเดจพระสังคราชองค์หนึ่งแล้วก็หลวงตามหาบัวหลว ง, งปู่เขียน อายุไล่เลี่ยกันสองค์เนะี่ยแต่ท่านหลวงปู่เขียนท่านไปก่อนเมื่อสองสปีให้หลังแต่หลวงตาเขาไปงานศพแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาสร้างเจดีแล้วก็เข้าไปฉลองเจดีจากนั้นหลวงตาก็าไปในงานฉลองเจดีทางอำเภอคำม่วงเขาก็เข้าไปขอที่วการอำเภอจากองค์หลวงตา ลงุลงตาก็สืบสอบดูออว่าเป็นยังไงเหมาะสมให้ไหมสำรุ้ทุดโซมมาอย่างไรกับผลที่สุดก็ทราบว่าที่วาการอำเภอคำม่วงสร้างมาเกือบห้าสิบปีออแล้วก็เป็นไม้ผูกพังขอจากทางรัฐบาลมานานไม่ได้ออลุงตาก็เห็นว่าเอ อ, เออเอาให้ก็เลยให้พอให้แต่เดือนมีนาม้งออพอเสร็จเมื่อวานเป็นวั น, วนมอบนะ เป็นงานมอบที่วาการอำเภอขม่วงนะอันนี้ก็สร้างไปประมาณเกือบเป็นสิบล้านมั้งธิวาการหลังนี้นะ่ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือจะตุปัจจัยที่พวกคณะสิทธิานุสิทธิ์หรือศรัทธา ญ, ญาติโยมถวายหลวงตาก็ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ลงร่ำรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้างสถานราชการบ้างอย่างนี้ก็ได้ทำทำ วงตาก็ได้ช่วยๆไปอันนี้ก็คือสังขาวัตถุสังขาวัตถุคือใจวัตถุสงเคราะห์แก่คนทั้งโลกคนทั้งประเทศหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้คือส่วนหนึ่งการที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสรุปแล้วนะเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนาว่าทานะคือทาน ศีลภาวนาถ้าหาว่าพวกเราท่านทั้งหลายไปได้ยินพระสงฆ์พูดว่าให้ทานนะเหมือนกับบอกให้มาให้ทำบุญกับตนเองถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็ใช่แต่ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์จะทำบุญจะให้ญาติโยมทำบุญส่วนเดียวส่วนพระสงฆ์ก็ทำบุญไปมากต่อมากไม่รู้ทำบุญต่อที่ไหนต่อที่ไหนเหมือนกันอย่างเพราะนั้นทาไม เพราะพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้สอนให้พระสงฆ์ทำทานนะเพราะว่าพระสงฆ์เป็นผู้เสียสละอยู่แล้วท่านสมัยท่านเป็นฆรวาอยังสมัยเป็นฆรวาสก่อนที่ท่านจะบวชท่านจะเข้ามาบวชท่านก็เสียสละเลือกสวนไล่นากิจการร้านค้าต่างๆท่านเสียสละหมดให้ทานหมดให้ทานหมดแล้วเสียสละหมดแล้วในสิ่งเหล่านั้น ท่านจึงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นท่านมีแต่บริขาร8เป็นส่วนมากอัฏฐบริขารแต่ศรัทธาญาติโยมมีพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาสําหรับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รักษาศีลศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกัน เพราะนั้นศรัทธาญาติโยมเพิ่นจึงสอนให้ให้ทานทานะแปลว่าให้ทานการให้ทานพวกเราได้ยินแล้วก็บางท่านบางคนที่เป็นคนไม่ชอบในการทำบุญทำทานเสียสละก็ได้ยินแล้วก็ทำแม่งทำแม่งแต่ตามไม่จริงพราะพรเจ้าที่ท่านสอนนะคือทานะทานมีหลายอย่างการทำบุญทำทานคือการเสียสละข้าวน้ำปัจจัย เงินคำทรัพสมบัติอันนี้ก็คือทานให้ทานให้อภัยทานถ้ามีคนมาล่วงล้ำเราเมาทำอะไรให้แกเราเจ็บอกเจ็บใจเราก็ให้อภัยทาน เ, เราไม่ถือโทษโทษกรธเคืองเราให้อภัยเขาซะ อ, อ, อันนี้ก็ทานเรื่องก า, การทําทานในการเสียสละให้โอวาทคำสอนหรือว่าแนะนำสั่งสอนให้วิชาความรู้เขาอันนี้ก็ทาน แล้วแนะนำวิชาอาชีพให้แก่เขาเขาไม่มีวิชาอาชีพอย่างนี้กอท่านก็ทานเหมือนกันเพราะนั้นสรุปแล้วคือคือทานมีหลายๆระดับสรุปแล้วก็คือให้พวกเรามีจิตใจกว้างขวา ง, วางในการอยู่ร่วมกันมีความอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อกันในเพื่อนมนุษย์ชาติแต่ถ้าความนุษย์ของเราไม่มีการให้ทานไม่มีการทานการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับ อะไรเหมือน ม, นน ม, มนอนนอะม น, นาวไม่มีน้ไไําอย่างนั้นอ่ะเออมะนาวไม่มีน้ําเป็นไงเออมันแห้งอพอมันแห้ง ท, ทีนี้การอยู่ร่วมกันก็ไม่มีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่มีการสงเคราะห์กันลูกกับพ่อแม่ไม่มีการสงเคราะห์กันวงศาคนาญาติไม่มีการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันการอยู่ร่วมกันในชุมชนสังคมไม่มีการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันต่างคนก็ต่างอยู่เพราะ เห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละไม่มีการแบ่งปันให้แก่ใครอันนี้ก็โลกทั้งโลกก็อยู่ลําบากเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกัน<ม>คนที่มีเมตตาคนที่มีน้ําใจคนที่มีทานไปนะะักทัศน์ที่ใดถิ่นใดคนทั้งหลายก็รักเคารพนับถือเพราะคนนั้นมีน้ําใจแตไปนะะักทัศน์ที่ใดถิ่นใดจะ่ขี้ตนีทีเหนียวมีแต่เห็นแก่ตัว ไปที่ไหนใครก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมไม่อยากจะต้อนรับเพราะเหตุใดเพราะว่าไปแล้วจะเดือดร้อนเขาเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกพุทธบริษัทสี่ที่อยู่ด้วยกันให้มีการเสียสละให้มีทานะอให้ยอมเสียสละให้แบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้ให้ค่ายควาไม่ใช่ให้ทั้งหมดแต่ให้รู้จักแบ่งให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้การใช้กับรู้จักแบ่งปัน ต่อเพื่อนมนุษย์ชาติควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ อ, อย่างไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราจากนั้นก็พระทานและก็ศีลศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศรัทธาญาติโยมก็คือศีลห้าศีลห้าก็คือเป็นศีลของญาติโยมพี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาศีลห้านี่เพียงพ อ, เ, อเพราะว่ามีธุระภาระมาก เ, เพราะว่าถ้าหากว่าขาดศีล คนที่ขาดสินคนไม่มีสินจะทำให้ชุมชนสังคมเดือดร้อนแต่ถ้าสังคมชุมชนมีสินสังคมชุมชนนั้นก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขการไม่ฆ่ากันการไม่ฆ่ามนุษย์การไม่ฆ่าสัตว์การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่าเราเขาพระพุทธเจ้ามองให้มองเขามองเราถ้าว่าเราไปฆ่าเขา เขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาคณาญาติเอเพราะว่าเขามาฆ่าเราท่านเองเราก็สะดุ้งแหละเอเพราะนั้นเราไปฆ่าเขาเขาก็คงจะสะดุ้งเหมือนกันเพราะนั้นการฆ่าไม่เป็นที่ปรงปลารถนาของใครทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจท่านจะบอกอย่าฆ่ากันนะ อให้มีเมตตาต่อกันถ้าหากว่าเราคิดอย่างผิวเผินถ้าไม่เจอกับตัวของเราเองเอคําว่าฆ่าคํานี้พวกเราก็ถือเป็นธรรมดาแต่ถ้าว่าเจอกับตัวของเราแล้วการฆ่าไ ม, ไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องที่หนักเออเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ก็แล้วกันอถ้าหากว่ามีการมาฆ่าวงศสาคนาญาติของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินให้คารวะญาติโยมสินห้า สินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันเพราะนั้นถ้าหากว่าเราวางจิตใจให้เป็นกลางเป็นธรรมมองให้เป็นภาพรวมเป็นกลางกลางแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาจริงเห็นไกลจริงๆมองกว้างจริงๆเนีเพราะเหตุไรเพราะว่าอย่าไปฆ่ากันการไม่ฆ่ากันมีแต่ความสงบป่มเย็นเป็นสุขไปในสถานที่ใดถินด่นใดก็ไม่มีใครเบียดเบียนซึงกันละกัน เราก็ไม่ระแวงแคลงใจว่าจะมีใครมาฆ่าเราข้อที่สองพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอธินนาธานาเวรมณีอย่าไปขโมยของคนอื่นเขานะคนอื่นเขาเขาคลั่งรักสังหรณห่วงแหนทรัพย์สมบัติของเขาของเราก็เช่นเดียวกันคําว่านลักขโมยคํานี่มีหลายอย่างสมมติว่าเป็นลักเด็กจึงเนี่ยเป็นลักลูกหลานของเขาเนี่ยไปลักลูกลักหลานของเขาเนี่ยไปขโมยลูกหลานของเขาเ เด็กนักเรียนอย่างเนี้ยเอารถตู้ไปใส่เอาอย่างเนี้ยพ่อแม่พี่น้องเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาขโมยลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่อันนี้ถ้าขโมยส่วนอื่นขึ้นไปขโมยรถจนขโมยของใช้ขโมยวัวควายช้างม้าขโมยรองเท้าอย่างเนี้ยเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจเราเสียความรู้สึกอย่างมากเพราะคนมาขโมยของเรา แต่เราเขามาขาโมยของเราล่ะเราก็มีเสียใจเหมือนกันเสียความรู้สึกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอย่าขาโมยกันนะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้ก็คือศินข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิทสาจาราเว ร, รมณีสามีพันยาลูกเต้าหลานเหลีญของใครวงสกุลของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเขามาล่วงล้ำเรา เราก็เสียใจถ้าว่าพวกเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเคารพสิทธิ์กันดีไหมต่างคนก็ต่างเคารพสิทธิ์ของใครของเราพราะต่างคนก็ต่างมีมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีวงศ์สกานายาติถ้าว่าเราเป็นผู้มีธรรมในใจจิตใจของเราเป็นกลางมองเป็นกลางถ้าเราไม่มองเข้าข้างตัวเองนะถ้าว่ามองมองเข้าข้างตัวเองจะเป็นยังไงก็ช่างคนอื่นอันนนถ้าอย่างนั้นก็ แม่มันก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วออมองเป็นกลางเพราะพระเจ้าบัญญัติสิ่ข้อที่สามเป็นธรรมนะเป็นธรรมเพราะเคารพสิทธิ์เขาเขาเคารพสิทธิเราต่างคนก็ต่างอยู่ความสงบร่มเย็นเป็นถูกก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนั้นๆอันนี้สิ่ข้อที่สมหรือข้อที่สี่ทินีิมุสาวาทาเว ร, รมณีการกล่าวมุสาโกหกคนอื่นเขา เมื่อเขารู้ว่าเราโกหกหรือว่าเราไปต้มตุนเขาหลอกลวงเขาเขาก็เสีย อ, อกเสียใจถ้าเขามาต้มตุนเราเราก็เสียใจเหมือนกันเสียทรัพสมบัติด้วยการหลอกลวงต้มตุนกันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สี่อย่าต้มตุนหลอกลวงกันนะให้พูดตามความเป็นจริงแต่บางครั้งก็บางคนก็บอกว่ า, าถ้าพูดตามความเป็นจริงเกินไป เกิดเรื่องเกิดเล่าเสียหายละ่ะเป็นยังไงอันนี้พวกเราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าซื่อบือ้อมีอะไรก็พูดพร่ามพร่ามไปหมดจะเป็นผลดีผลเสียผลร้ายกับใครเราพูดไปหมดให้ได้ยินทั่วกันไปหมดอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าสิ่งไหนควรจะพูดได้สิ่งไหนไม่ควรจะพูดบางครั้งบางคราวบางเรื่องเป็นความจริงก็จริงอยู่แต่เราพูดในที่ไม่เหมาะสมพูดเข้าไปแล้วก็เสียหายได้เหมือนกัน การพูดกับการไม่พูดอันไหนดีกว่ากันอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราที่จะไม่พูดพูดและไม่พูดนะอันนี้เราก็สงวนด้กระสีเราสงวนสิทธิ์ของเราจะไม่พูดในเรื่องอย่างนี้เพราะเรายังไม่รู้จริงถ้าเราพูดไปแล้วเสียหายมากกว่าเราก็ไม่ควรจะพูดถึงจะเป็นความจริงก็จริงอยู่แต่เราไม่ควรจะพูดเพราะพูดไปแล้วมันเสียหายอันนี้ก็เราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังว่า อย่าไปโกหกเขาอใครข้าอยจะไปต้มตุนเขาอย่าไปหลอกลวงเขาเอาสมบัติของเขามาเป็นของตัวเองเนี่ยอันนี้แหละอันนี้ถ้าโกหกไม่ใช่ธรรมดานะเอไม่ใช่ธรรมดาในพระบาลีท่านบอกว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ของรู้สึกว่ากว้างขวางนะอโกหกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันอโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นอะอ เขาอทำอย่างอื่นก็มากกว่าโกหกทำอย่างื่้โกหกไปที่ไหนมาของโกหกยังไม่ได้ไปของโกหกแปลว่าโกหกตอแหลอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็โกหกมากมายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศินข้อที่สี่ของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาดูให้ถีทวนแล้วอันตรายเหมือนกันแล้วก็ขอสินข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชฌะปมะการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท อันนี้ก็คือสินข้อที่ห้าสินข้อที่ห้านี้สําหรับศรัทธาญาติโยมที่มานั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อว่าในพรรษานี้นะพระสงฆ์ท่านอยากจะบิดเท่าบาทกับศรัทธายาิโยมเหมือนกันในพรรษาเนี่ของดได้ไหมไม่ให้ดื่มสุราตลอดไตรมาสสามเดือนอถ้าสามเดือนก็มาแล้วนะลุงต า, ามาเขาเกือบสองอาทิตย์แล้วจะทําไงเอา้เอานับตั้งแต่วันนี้แหะเป็นต้นไปข้าพเจ้าจะงด ดื่มสุราข้าพเจ้าจะงดสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนออกพรรษาหลวงพ่อว่าก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีสําหรับพวกเราจากนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วอย่าไปเบิกถอยหลังอีกนะเอแล้วก็เมื่อออกแล้วก็ออกไปเลยลว่างั้นเถอะเราก็ต้องเห็นโทษเออในพรรษานี่เรางดดื่มเหล้าเป็นผลดีสําหรับเรามากๆสุขภาพของเราก็ดีร่างกายของเราก็ดี สิ่งทะเลาะวิวาทก็ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราดื่มเหล้าเข้าไปและเสียหายออตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพเจ้าจะงดเหล้าตลอดไปน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอออกพรรษาแล้วกินเหล้าเบิกถอยหลังอีกอันนั้นไม่ได้นะเพิ่มความชั่วเข้าไปอีกไม่ดีถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสุราเมระยะมัชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพระพุทธเจ้าว่าเั้นคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติ เพราะมันเมาสมองของเราปั่นป่วนลืมหลงทําไม่สิ่งที่ไม่ควรทําพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วก็ทําไปได้ทุกอย่างด้วยสินข้อที่หึงตั้งแต่ข่าข่าใครข่าพ่อข่าแม่ข่าพี่ข่าน้องข่าวงสาขาญาติข่าใครต่อใครได้ทั้งนั้นเพราะคนขาดสตินะแล้วก็ข้อที่สองก็เหมือนการอาธินนาทานการขโมยของคนอื่นเขาเนี่ยก็ทําได้ เพราะเหตุใดเพราะคนขาดสติข้อที่สามการเมสุพิชฌาจาร์การละลาบละลวงลวงสิทธิ์ของคนอื่นลวงอธิปไตยของคนอื่นลวงกรรมสิทธิ์ของคนอื่นเราก็ทำได้ทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเราเมาเหล้าคนเมาเหล้ามูสานี่ยิ่งเร็วเพราะขาดความรับผิดชอบอย่างมากการดื่มสุราเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติมาห้าข้อเนี่ย ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนพี่น้องประชาชนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ครองเรือนนะอันนี้ก็คือสินมีห้าข้อสำหรับสินของพระนะสินของสมณะหลวงพ่อจะไม่อธิบายเพราะเกินไปอีกหน่อยหนึ่งสองสามข้อนะแต่สินของพระนี่ก็เหมือนกันเพราะพุทธเจ้าบัญญัติให้พระสงฆ์ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อเข้ามาจู่วงในแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้รักษาศีลเนี่ยคือรักษากายวาจาใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษาศีล ก, ก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยในพระในครั้งพระพุทธเจ้าเคยมีนะในพระในครั้งพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเป็นศรัทธาญาติโยมทําบุญทำทานอยากจะได้บุญมากจากนั้นไปหาพระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ จะทำยังไงโยมจึงจะได้บุญมากพระสงฆ์ก็ว่าเออรักษาศีลห้าเมื่อให้ทานแล้วรักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าโอ้จิตใจสบายจะได้ยังไงจะได้บุญอีกรักษาศีลแปจากนั้นโอ้ท่านจะให้ทำยังไงผมจะได้บุญมากอีกบวชเป็นพระใตัดกิเลสราคาโทสะโมหะอยู่ตามลาพังตัดกิเลสส่วนหยาบออกแลวก็บําเพ็ญภาวนา เพื่อจะได้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารโดยดวนแต่ทีนี้เขาก็เสียสละคารวะออกมาบวชเองพอบวชเสร็จแล้วก่อนบวชท่านก็ไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับพิณัยให้ฟังน ะ, อะพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ธรรมะให้กรรมฐานพิจารณาอย่างนี้นะเกสาโลมาณาขาทันตาตาโจอ่ะพระอุปัชฌาย์ก็ให้กรรมฐานจากนั้นไปหาอาจารย์อาจารย์เออเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้ว ท่านต้องรักษาธรรมวินัยอย่างนี้นะอันนี้พระวินัยข้อที่หนึ่งว่าอย่างนี้เอปาราชิกสีมีสี่ข้อสังฆาทิเศตมีสิบสามข้ออเนยมีสองข้อนิยยอนจกียปาจิตีมีสามสิบข้อเอปาจิตีมีอยู่เก้าสิบสองข้ออาจารย์ก็ให้โอวาดแก่พระใหม่แต่พอพระใหม่ได้ทราบโอ้ทำยังไงเอ่ยตกรฆ่าเปเจ้าก็อยากจะได้บุญ พอเข้ามาแล้วจะให้ข้าพเจ้ารักษาศินถึง227ข้อเนี่ยข้าพเจ้าจะรักษาได้ยังไงเพราะสินเยอะเหลือเกินพอที่สูก็โอ้ไม่ไม่ได้ล่ะผมขอลาผมรักษาไม่ได้แล้วผมจะขอลาสิกขาเออเขาว่าท้อแท้ใจว่างั้นะเนีย่ยกับพูดกับอาจารย์ผมอยู่ไม่ได้แล้วท่านอาจารย์ครับผมรักษาไม่ได้สินต่างเยอะแยะไปเดี๋ยวผมรักษาไม่คุม้มเดี๋ยวผมจะเป็นบาปเ ที่อาจารย์ก็ไม่รู้จะสอนอยังไงทีนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกให้สอนอย่างนี้กล่าวอย่างนี้แนะนําอย่างนี้พระอาจารย์ก็ต้องแนะนําตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนบอกให้กล่าวแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ต้องสอนเรื่องวินัยเรื่องศีลให้พระใหม่ได้รับทราบนะจากนั้นพระอาจารย์ก็เอถ้าถ้าหากว่าคนที่เข้ามาบวชอย่างนี้ทุกคนนะ่ะมาก็มาบอกว่าโอ้ยผมบวชไม่ได้หรอกเพราะวินัย ขี่ยิบล้เกินผมขอลาศิกขาอย่างเนี้แล้วจะตอบเขาได้ยังไงจะทํำยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นพระใหม่ผมจะต้องพาไปกราบพระพุทธเจ้าซะก่อนว่าจะปฏิบัติยังไงเมื่อท่านปฏิบัติศีลไม่ได้อย่างเนี้นะป่ะไปด้วยกันทีนี้ทางอาจารย์ก็พาพระใหม่เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปกราบพระองค์ก็ถามว่ามีอะไรพระพี่เลี้ยงกขาบอกว่านี่พระใหม่ สมัยเป็นคารวาตต่องการบุญอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติมาอย่างนี้จนถึงมาเป็นพระข้าพระองค์ได้แนะนําสอนเขาเรื่องศีลวินัยหรือให้พระวินัยให้พระบทใหม่อยู่ในวินัยแต่พระพันกรบอกว่าผมรักษาไม่ได้เพราะมันมากเกินไปหยุมหยิมเกินไปถ้ารักษาไม่ได้ผมกลัวจะเป็นบาปผมจะขอลาศิกขาข้าพระองค์จึงแนะนําเขามากราบพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามีคนปฏิเสธอย่างนี้ จะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรพระพุทธองค์ก็เออเอาเธอทําไมจึงรักษาไม่ได้เพราะองค์อื่นเขาท่านอื่นเขายังรักษาได้เนีพระ อ, องค์นั้นก็บอกตามเหตุนาของตนเองนะเนีบอกว่าข้าพระองค์อยากจะได้บุญแต่พอมาเจอศีลและวินัยที่พระอาจารย์แนะนำเข้ามาแล้วรูสิวเยอะเหลือเกินเ อ, อันไหนก็ผิดหมด อันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ไม่ควรทาอันนี้ก็ไม่ควรท ำ, นนรทำข้าพระองค์ก็เลยกลัวจะเป็นบาปปฏิบัติในสินสอยีข้อไม่ได้พระเจ้าขางข้าพระองค์จะเป็น ข, ขอเป็นคารวะรักษาสินห้าสินแปดแล้วก็ให้ทาน อ, อย่างนั้นจะเป็นกุศลมากกว่าที่จะมาเป็นพระถ้าข้าพระองค์รักษ า, าสินไม่ได้เมื่อเป็นพระข้าพระองค์ไปกินข้าวชาวบ้านเขาใช้ของชาวบ้านเขากลัวจะเป็นบาป ถึงยังไงข้าพระ อ, องค์รักษาศินแปดรักษาศินห้าข้าพระ อ, องค์ก็ยังได้กินของตัวเองใช้ของตนเองคงจะไม่เป็นบาปพระเจ้าขา้าข้าพระ อ, องค์คิดอย่างนี้จึงได้ขอกล่าวลาสิขาขอจากจาลาสิขาเพราะว่าศินมากเกินไปพพเพราะพระไตรจ้าท่านบอกว่าเออถ้ามันมากอย่างนั้นให้เธอรักษาศินข้อเดียวได้ไหมในรักษาอันเดียวได้ไหมพระ อ, องค์นั้นก็ตอบว่า ถ้าให้รักษาอันเดียวได้พ่อเจ้าข่าถึงจะยากยังไงก็รักษาได้ถ้าอันเดียวถ้ามากมากีาก่ขาพระองค์รักษาไม่ได้กลัวมันจะผิดว่ากันเพราะพเจ้าองค์เลยเออเอาท้ารักษาอันเดียวกว่า เ, เราจะให้ให้รักษาใจน ะ, ะให้รักษาใจอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดี อ, อย่าไปคิดสิ่งที่ไหนมันไม่ดีอย่าคิดคิดแต่สิ่งที่มันดีให้จิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอด ภาวนาอยู่ตลอดให้ดูใจของตนเองอย่าให้เคลื่อนไหวอย่าให้มันแซวบออกไปในสิ่งที่มันไม่ดีให้ดูใจให้สังเกตดูใจให้รักษาใจได้ไหมได้ครับผมอเอานะเอาอันเดียวนี่แหละอไม่ต้องรักษาอย่างอื่นครับผมได้และอันเดียวนี้ได้นะแต่ตามพระจริงพระพุทธเจ้านี่ฉลาดเหลือเกินหลวงพ่อว่านะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถ้าใจไม่คิดมันจะไปทําความชั่วได้ยังไงใช่ไหม รักษาตนต่อจบแล้วมันก็จบที่นี่ศีลเกิดความชั่วออกมาจากใจทั้งหมดที่นี่พอรักษาใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละกายวาจามันจะไปที่ไหนได้ถ้าว่าใจของเราไปคิดไปทางชั่วมันก็จะไม่พูดไปทางชั่วมันจะไม่ทําไปทางชั่วถ้าคิดไปในทางดีการกระทาออกไปทางกายมันก็ดีการพูดออกไปมันก็ดีนี่พระพุทธเจ้าฉลาดวิธีการสอนของพระองค์นะจากนั้นพระองค์นั้นก็ท่านก็รักษาใจอยู่ตลอดทีนี่ อีกไม่นานท่านก็เลยกิเลสก็เข้ามาหาใจท่านไม่ได้ท่านก็เลยตัดกิเลสได้เป็นพระอระหันต์ในไม่ช้าไม่นานว่างั้นนี่แหละศีลของพระพุทธเจ้าท่านสรุปลงแล้วก็คือลงมาหาใจเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะที่มารักษาศีลมาภาวนาสรุปแล้วก็คือเข้ามาหาใจทั้งหมดเพราะนั้นพระลูกพระหลานทั้งหลายพระนวกะก็คงจะมีที่มา คลาวะในวันนี้เราเป็นขราชการก็มีเป็นพ่อค้าประชาชนก็มีมาทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นการมาบวชในครั้งนี้ให้ทั้งอกตั้งใจนะให้ทั้งอกตั้งใจเป็นกรณีพิเศษสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทํานะถ้าทําไปแล้วเป็นมลทินในจิตในใจของลูกหลานของพาลูกพาหลานเพราะเราบวชเราก็รู้แก่ใจอยู่แล้ว เราจะบวชเพียงสามสีเดือนเท่านั้นเองเพราะนั้นเราเข้ามาบวชแล้วเราทำตัวไม่ดีลองลํำทำเพลงฟังวิทยุฟังเพลงสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราทำหมดสิ่งไหนที่มันดีสัมมณะสารูปที่ควรจะทำเราไม่ได้ทำเราทำแต่เอาเราไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ยูนิฟอร์มเพราะงั้นเปลี่ยนแต่ศีสษะล้นกับผ้าเหลืองว่าเป็นพระแต่การกระทาของเราายกายของเรา ใจของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอกล่าวเตือนพระลูกพระหลานทั้งหลายนะเมื่อเราเข้บวชแล้วให้ตัดทิ้งทั้งหมดในสิ่งที่มันไม่ดีให้บำเพ็ญทางจิตใจนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลให้บริสุทธิ์ในวัดถ้าว่าพวกเราถึงกำหนดแล้วนะเดือน3เดือนออกพรรษาแล้วพวกเราจะภาคภูมิใจอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะเขามาบวชแล้วเรารักษาศีล ถึงใครอื่นคนอื่นเขาจะทำยังไงเราจะไปสนใจเราจะไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกให้เราพยายามทำให้มันถูกต้องตามหลักธรรมวินัยให้เคร่งครัดนะถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้แล้วหลวงพ่อว่าพวกลูกหลานทั้งหลายเมื่อเป็นครวญวัดเราก็จะภาคภูมิใจอย่างมากเพราะเราเ้ามาบวชในวัดวาสศาสนาเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อออกไปเป็นครววัดอานิสงในการรักษาศีลภาวนาปฏิบัติของพวกเรา ก็จะเกื้อกูลหนุนเอเราจะทํากิจการงานอะไรกิจการงานนั้นก็จะเอลุ่งโลดเอเฟื่องฟูขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะอา น, นิสงส์การกระทํอาอความดีของเราในขณะที่เราบวชแต่ถ้าว่าเราเข้ามาบวชแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราขนมาให้ตัวเองทั้งหมด เ, เพอเผพยังกินเหล้าเมายาเล่นอะไรต่อมีอะไรในสิ่งที่ไม่ควรทํา แต่เมื่อเราเป็นครวัตเราเห็นพระธรรมอย่างนู้เราก็ตำหนิพระแต่พอเรามาเป็นพระแล้วไม่มีทางออกเราก็เลยทำเส้อเองอย่างนี้มันไม่ถูกนะลูกหลานนะเพราะนั้นให้ดูใจของพวกเราให้รักษาศีลให้ภาวนาถึงอย่างไงก็ตามคนะณะที่มาปฏิบัติมาภาวนานี่นะมันมีเรื่องเยอะแยะนะในใจของเราทั้งว่าเราไม่ดูให้ดีนะถ้าเราไม่เอาธรรมะเข้าไปสำทับ เลือกเอาธรรมะเข้าไปควบคุมจิตใจของเราใจของเราจะปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาทําให้จิตใจหาทางออกไม่ได้เพราะฉนั้นพวกเราเอาธรรมะนี่ยเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิฝังภาวนาบ้างดูหนังสือดูธรรมะฟังธรรมเทศนาแต่อย่าไปฟังเพลงฟังลัมนะฟังธรรมเทศนาจากนั้นก็ฟังเทศของครูบาอาจารย์อ่านหนังสือธรรมะของ ผู้บ า, า, ายฌานเข้าสู่จิตใจอันนี้เราคือเป็นการฝึกฝนฝึกหัดดัดลิศใสของตนเองให้เป็นคนดีนะแต่ว่าพวกลูกหลานพระลูกพระหลานทําอย่างนี้ได้แล้วหลวงพ่อว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจเพราะเรารู้แก่ใจอยู่แล้วว่าเราจะบวชกี่วันกี่เดือนนะไม่ใช่ว่าเราจะบวชเป็นนักบวชอาชีพตลอดไปไม่ใช่เราบวชเพียงชั่วคราวถ้าขนาดเราบวชเพียงชั่วคราวยังเอารีไม่ได้ แล้ว เ, เราจะเป็นคนดีของตัวเราได้ยังไงเพราะนั้นบางคนหลวงพ่อเคยได้ยินได้พบครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนท่านบอกว่าเนี่ยนะเวลามีทุกข์ขึ้นมาก็หนีทุกข์คำว่าหนีทุกข์คำนี้ไม่ใช่วันหนีด้วยการพิจารณานะไม่ใช่ไม่ได้หนีด้วยการพิจารณาท่านหนีด้วยการพิจารณาด้วยการรู้เท่ารู้ทันด้วยการสังเกต ด้วยการบริกรรมให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้คือคือเห็นเอเอไม่ใช่ว่าจะพยายามหนีทุกอย่างนั้นแต่บางคนพวกเราท่านทั้งหลายพอมีทุกข์ขึ้นมาคือใจไม่สบายขึ้นมานั่นแหละอมีรถไหมเอ้าขับรถออกไปข้างนอกไปเที่ยวอถ้ามีโทรศัพท์เอา้าโทรศัพท์ไปหาคนอื่นเพื่อไปคุยกันเพื่อนหนีทุกอว่างนั้นะเออจากน่านก็เอา้าไปหากินข้าวต้มขนมไปหากินข้ยเตีิยวเพื่อนหนีทุก เพื่อจากนั้นเขออกจากวัดป่าไปไปหาเที่ยวจักช่วงระยะหนึ่งเพื่อหนีทุกข์อันนี้มันหนีทุกข์อย่างนั้นไม่ไม่ใช่หนีทุกข์เหมนกันน่ยมันหนีหลบเฉยๆมันไม่หนีไม่ได้หนีหาต้นต่อเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอารมณ์ของใจเท่านั้นเองเหมือนกับเราเปลี่ยนจิตใจของเราแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่เปลี่ยนที่แท้จริงถ้าเปลี่ยนที่แท้จริงเราต้องดูที่ใจของเราใจของเราคิดอะไรในขณะนี้เวลานี้เราควรจะ เอาธรรมะตัวไหนเข้ามาปรับปรุงแก้ไขเ ป, ปลี่ยนแปลงใจของเราใจของเราทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมของเราใจของเราจึงเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนีเ้เราจากนั้นเราก็ให้สำทับภาวนากําหนดอะไระถ้ากําหนดภาวนาพุทธโธพุทธโธไม่อยู่นะเราก็เห็นดูใจของตัวเองว่าใจของเราเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา ร่างกายสร้างขานไม่ใช่ตัวตนของเราตั้งแต่หัวจดเท้าจะเป็นของเราได้อย่างไงอีกสักวันหนึ่งนะสอนใจตัวเองนะอีกสักวันหนึ่งหนึ่งนะร่างกายของเราเนี่ยจะต้องถูกเผาไฟแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะเผา ม, ามากต่อมากแล้วอีกสักวันหนึ่งข้าก็จะต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะนั้นให้พวกเราเราเองนะอย่าลืมตัวนะตายแล้วไม่ศูนนะตายแล้วเกิดอีก เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพิสูจมาแล้วในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์พระองค์พิสูจนมาแล้วเมื่อสองพันกว่าปีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปธรรมในโคลนต้นโพในวันนั้นน่ะวันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้านั่งสมาธิจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณทัศน์เกิดฌานพอเกิดฌานขึ้นมาแล้วก็ระลึกชาติผลหลังได้เป็นอันว่าร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายนี่มีสอง มีสองอย่างคือรูปธรรมรูปธรรมคือการมองเห็นมองเห็นอยู่ที่นั่งๆั่งอยู่เนี่ยคือมองเห็นด้วยด้วยตาเนื้อนเนี่ยอันนี้ว่ารูปธปรรมนามธรร ม, มความนึกคิดมองไม่เห็นจุดนั้นละ่ะจุดตั ว, ต, วตัวนั้นละ่ะที่ไปพาจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆพระพุทธเจ้าให้ความสนใจให้ความใส่ใจในเรื่องนั้นแหละเรื่องนามธรรมมากกว่าเรื่องรูปธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา หรือพี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมที่ให้ภาวนาภาวนาคือให้ดูใจของตัวเองถ้าพวกเราสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราใจดวงนั้นละ่ะเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปเป็นที่รับบุญและรับบาปเออเป็นกระเป๋าของบุญของบาปอยู่ในนั้นเพราะนั้นพวกเราการกระทำออกไปถ้าสิ่งที่มันไม่ดีนะเออเป็นบาปอากุศลทากล้ำไม่ดีเป็นทางอากุศล กุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราคำว่าพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลอย่างวันนี้พวกเราเดินไปทำวัดคารวะครูบาอาจารย์เรานี่อันนี้แหะอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้บางทีกับไหว้พระบ้างสวดมนต์บ้างนั่งภาวนาบ้างตามการตามสมัยล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเรา อย่าไปคิดว่าตายแล้วสูนนะตายแล้วเกิดอีก เ, อเกิดอีกแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์มาแล้วถ้าพวกเราอยากจะพิสูจน์ก็ไม่มีการสงวนลิขิตอะไรทั้งหมดอสอนอยู่แล้วพร้อมที่จะสอนให้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าประกาศอยู่แล้ววิธีการจะทําพิสูจน์ตัวเองทํำยังไงเนี่ยนั่งภาประทานเนี่ยต่อหน้าของพวกเราเนี่ย เ, เวลานั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกและกับพร้อมกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นท่านกับสอนให้อีกว่าถ้าดูลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยนี่มันยังจะมีช่องว่างอีกอยู่ ควรจะบริกรรมบริกรรมพุทธโธด้วยท่นีเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธนะแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ในโคนต้นโพนั้นท่านไม่ไม่ได้บริกรรมว่าพุทธโธนะเะพราะท่านยังเป็นศีรษะอยู่นะท่านเพียงแต่ว่ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่พ่อแม่กูบายอาจารย์หลวงปู่หลวงตารุ่นหลังหลวงปู่มั่น พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราเนี่ยท่านให้บริกรรมพุทโทด้วยถือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนี่ยเป็นคนละอันกันเป็นคนละอย่างกันกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนกับมะม่วงอยู่ในจานจานกับมะม่วงอย่างนั้นแหะเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นะคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกัน ก่อนที่รถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าใจจะเดินเหินไปที่ไหนได้ก็ต้องอาศัยน้ำ ม, มาทำขึ้นไปขี่ไปเกาะ อ, อยู่ที่สมองนะสมองก็สั่ง่ะสิสั่งแล้วร่างกายมันก็ไปละ่ะใจมันไปขึ้นไปขี่อยู่สมองสมองก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะอแล้วก็ ก, กดไปให้มันไปทางไหนให้มันคิดอะไรให้มันพูดอะไรนะนี่แหละใจของเรานะอยู่ที่นั่นนะ เกอยู่ที่สมองนูงกันเถอะสั่งการสั่งงานออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อทําจิตให้สงบแล้วให้เป็นหนึ่งแล้วเราจะพิจารณาอะไรในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้พิจารณาพิจารณ า, า, ร, ณาร่างกายร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะตั้งแต่หัวจนจุดเท้าเกษาผมโลมาขนนาคาเล็พันตาฟันตะโจหนัง อันนี้ก็คือกรรมฐานพระพรุทธเจ้าสอนให้พวกเราพิจารณากรรมฐานห้ากรรมฐานห้าคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจนะในเมื่อเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะออันนี้ก็คือสอนใจเหมือนกันทักให้สอนใจบอกใจออีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกสลายเนอ้อตายเนอ้อลงสู่ดินน้ำลมไฟเนอ้อ ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนลูกเมียลูกเต้าเล้าหลานเงินคําทรัพสมบัติสิ่งของต่างๆจะเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราให้พิจรารณาวไว้หนนะ้าอันนีค้คือสอนตัวเองแต่ขนาดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังอยู่อย่างนี้สิ่งเหล่านั้นคือปัจจัยเครื่องอาศัยเราจะไปปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถึงจะดีที่สุดขนาดไหน เราก็ต้องคิดอยู่ในใจไว้อยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานอะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องพัดภาคแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นจําใจนะต้องคิดไว้นะต้องรู้ไว้นะถ้าถึงวันนั้นมาถึงใจอย่าไปเศร้าโศกเสียใจนะใจต้องรับรู้รับทราบนะอันนี้ก็คือการสอนใจของตัวเองนะแต่ถ้าว่าพวกเราจิตไม่สงบนะจิตมันปุ่งฟุ้งซ่าน เราจะไปคิดสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่ามันคิดไม่ได้เหมือนกับคนที่มันคิดปรุงฟุ้งมากๆแล้วจะให้ใหพิจารณาให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเน้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทว่าทําจิตให้สงบสัก่อนจึงพิจารณาอันนีน้ถ้าว่าถูกต้องนะแต่บางท่านบางคนก็ท่านเป็นผู้มีปัญญานะเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้บารมีมาก่อนพวกคิด ป, ปะพิญญาที่รู้ได้เร็วนะอันนั้นก็ ท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องฝึกสมาธิให้หนาแน่นมั่นคงอแต่ถ้าว่าทันทาปัญญาแล้วจะต้องฝึกเรื่องสมาธิเป็นพื้นฐานซะก่อนจึงพิจารณาทางด้านปัญญาจึงจะเห็นเป็นปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นมาได้ให้พวกเราคิดดูก็แล้วกันนะเหมือนพวกพวกเราเคยเห็นช่างเขาตัดเหล็กไหมตัดด้วยแก๊สด้วยลมด้วยไฟฮอ เรีว่าหัวแก๊สเนี่ยเขาตัดแผ่นเหล็กหนาๆนานะ่ะเออถ้าหากว่าเขาหมุนหัวแก๊สหมุนเครื่องตัดนะ่ะไม่ลีนะ่ะมันดังฟู่ฟูฟูออกไปไปตัดเหล็กมันก็ไม่ขาดเพราะเหตุไรเพราะมันไม่เป็นหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเขาจูนหัวเข้าไปเล็กๆหมุนไปเป็นเล็กๆทั้งแก๊สทั้งไฟทั้งลมออกมาในจุดเดียวกันทั้งที่มันก็ไม่แข็งอะไรมันเป็นไฟเป็นลม เป็นแก๊สเท่านั้นเองจ่อลงไปในแผ่นเหล็กเหล็กจังละลายได้พวกเราคิดดูกันแล้วกันอันนั้นคือเป็นหนึ่งถ้ามันแตกผ้าแล้วมันจะไม่ทะลุมันจะไม่ขาดแผ่นเหล็กอันนี้ก็เหมือนกันจิตของเราที่เป็นสมาธิเป็นหนึ่งแล้วเราจะพิจารณาอะไรจะเห็นได้ชัดด้วยปัญญาของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะนี่แหละินสมาธิปัญญาสมาธิมีความจาเป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็ปัญญากใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาเห็นไตร ล, ลักษณ์ เ, เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นหมดนั่นแหละถ้าว่าเร า, เาจิตใจของเราหนึ่งจิตใจของเราสงบแล้วแต่ถ้าว่าจิตใจของเราปรุงฟุ้งซ่านจะพิจารณาอะไรมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านครูบาอาจารย์ทุกๆนะองค์หน้าเรื่องภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราให้สํานึกไว้อยู่เสมอว่า ชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ใครจะไปก่อนกันนะหลวงพ่อที่พูดอยู่อย่างนี้หลวงพ่อก็ต้องไปเหมือนกันหลวงพ่อรอวีซ่าอยู่เดียวเนี่ยถ้าหากว่าวีซ่าส่งมาถึงเมื่อไหร่นะหลวงพ่ออินก็จะต้องรับวีซา่าก็ต้องเดินทางต่างประเทศเพราะนั้นทางว่าหลวงพ่อไปต่างประเทศก่อนพวกเรามาส่งขึ้นเครื่องบินด้วยนะส่งหลวงพ่ออินขึ้นเครื่องบิน ขึ้นเมนเว้ยงั้นเถอะนั่นแหละหลวงพ่อก็จะไปตามลําพังแหะท่นี่พอส่งลูกหลานส่งขึ้นเมนหลวงพ่อก็ไปแล้วท่ถ้าว่าหลวงพ่อทําบุญสร้างกุศลได้หลวงพ่อหมดกิเลสหลวงพ่อก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกละถ้าหลวงพ่อไปภาวนาเข้าไปเป็นพรหมหลวงพ่อก็ไปสู่พรหมโลกไปถ้าว่าหลวงพ่อบําเพ็ญทานศีลภาวนาที่ไปสู่สวรรค์ได้หลวงพ่อก็จะไปสู่สวรรค์ ไปตามลำพังแล้ทีนี้ถ้าวัดหลวงพ่อไปทำไม่ดีหลวงพ่อก็ต้องไปทำกรรมไม่ดีตกนรกมกไหมเป็นสัตว์เลี้ยชานอันนี้เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะนั้นก่อนที่จะตายให้พวกเราทั้งหลายให้สั่งสมคุณงามความดีไว้อย่าประมาทนะฮะอย่าประมาท ต, ตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นให้ทำคุณงามความดีเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอน ไม่รู้จะเกิดที่ไหนไม่รู้แต่ถ้าว่าทำกรรมดีต้องไปเกิดในสถานที่ดีแน่นอนถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะส่งไปในทางอากุศลแน่นอนไม่ต้องสงสัยอีกเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าทำคุณงามความดีทำไปเถอะนะสวรรค์นิพพานพรมโลกไม่เต็มง่ายทำกรรมชั่วถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันถ้าทากรรมชั่วก็ทาไปเถอะนรกก็ไม่เต็มง่ายเหมือนกันกานว่างนันนะ เพราะนั้นเมืองมนุษย์ของเราเ น, นาี่ยเป็นแดนกลางเป็นแดนกลางเป็นเป็นแดนที่จะแสวงหาคุณงามความดีเป็นแดนที่จะแสวงหาความชั่วแดนมนุษย์เนี่ยเป็นแดนกลางใร้ค้าว่าเป็นบอ่อทองบอ่อเงินบอ่อทองของวิญญาณนะถ้าพวกเรามาเกิดในสถานที่นี้แล้วใครจะขุดทองทางไหนว่างั้นเถอะถ้าว่าขุดทองไปในทางที่ดีเราก็ไปสู่สวัสดิ์นิพพานได้ไง่าย แต่ถ้าว่าเรามาขุดตรงนี้เราไปขุดไปในทางที่ไม่ดีสั่งสมแต่ความชั่วช้าลามกเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจบาปอากุศลก็จะเข้าสูจส่จิตสู่ใจของพวกเราตกต่ําไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกัน เ, เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าประมาทวันนี้หลวงพ่อไดอ้คิดว่าจะไม่พูดยาวตงแต่เบื้องตน้นผลที่สุดก็ได้พูดอะไรให้เป็นแนวความคิดให้ศรัทธาญาติโยม พระสงฆ์ครูบาจารย์เพื่อได้นําไปคิดไต่ตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราท่านทั้งหลายนานทีปีหนพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้หาได้ยากหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นการพูดการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอจบเพียงเท่านี้